ท่านสาธุทธบริษัททั้งหลายสำหรับวันนี้คงพบ ก, กันดาท่านุทธบริษัทเรื่องของพระเวสสันดรตอนสองกุมารในตอนตอน้นปรากฏว่าตอนที่ชูชกจะขอเอาสองกุมารไปขายแล้วก็จะมอบให้เป็นท้าทของนางอมิตตดาพรหามานี รายงานกับพระเวสสันดรอย่างนั้นนะท่านถามพระเวสสันดรนั้นถามว่าท่านน่ะจะมาขอลูกทั้งสองเราไปทําไมกันชุเชชก็บอกว่าจะไปขายแล้วก็ส่วนที่เหลืออย่างอย่างกัญหาเนี่ยอย่างชาลีเนี่ยจะไปขายแล้วกัญหาจะเป็นท่ารับใช้ของนาวัตดาพราหมณี ตอนมานั้นมาจบลงตอนนี้ว่าท่านสองก็ ม, มาในับดับ น, นั้นแล้วก็ตกใจมากจิงได้พากันไปแอบหลังพระคันตะคน ด, ดีแล้วก็เดินหนีเศร้าซอนไปตามพงรกด้วยกลัวว่าตาชูชกจะตามมาจับตัวจิงตกใจให้ใจสั่นรวัวไม่อาจที่จะแอบอยูนะ่หน้าที่ใดๆได้ไดได เพียงได้พากันวิ่งไปทางโน้นบ้างวิ่งไปทางนี้บ้างกลับไปกลับมาเจอท่านในที่สุดเมื่อถึงสาโปรคณีแต่ว่าความกลัวมันเกิดขึ้นแบบนี้ก็ไปมันจนที่สุดของชีวิตคิดว่าจะหนีหพ้นเมื่อถึงสาโปรคณีก็พากันลงไปแต่ว่าเวลาลงท่านเราสองเป็นคนมีปัญญา เดินถอยหลังลงสแสดงว่าคนเดินลงไม่มีมีแต่คนเดินขึ้นรอยมันรอยขึ้นนะ่ะถอยหลังลงลงไปแล้วกใบบัวปิดที่สะอ่าซ่อนกายยืนอยู่ในกระแสะชนขึ้นในน้ําในชาน้ําในบวนั่นเองวันจบตรงนี้นะเปน็นเรื่องท่าเวสันดอนแต่ฟังฟังจริงๆไปแรกเขาลุ่มลุ่มดอนดอ น, นนะ ขอขอบคุณท่านผู้เรียบเรียงหนังสือที่ให้เป็นหนังสือที่ยึดเอาเป็นหลักหรือเป็นแนวใงการใช้อธิบายในเรื่องราวพระเวชนดอนแต่ว่าขอขอบใจท่านที่พยายามตัดทอนเสียงที่ดีๆทิ้งไปเสียนี่ถ้าบังเอิญไม่เคยเทศมาบ้างอะไรมาบ้างก็ยิ่งไปกันใหญ่ขาดหมด อรเวทมันดาที่องสมเด็จพระบรมสุคตท่านบอกว่าพระศาสนาของภีรคตที่จะสลายลงไปไม่เยีใครหรอกก็คือรูปคัมภีรคตนี้เองเป็นผู้ทํำลายก็ได้แก่อุบาสกุบาสิกาและพิสุภิสุนีพระผ um, ู trucs, mm. ha, ark, ้ชายพระผู้หญิงสมเนรสมเนรีเนรผู้ชายเนนผู้หญิงอุบาสกุบาสิกาคือสาวกผู้ชายสาวกผู้หญิง พวกนี้แหละที่เขาทําลายถ้าพวกนี้ไม่ทําลายคนอื่นเขาก็ไม่ทําลายแต่พวกนี้ทําลายมันยจะมึงจะสนงเกตจะสิ้นสากเวลานี้จะรู้สึกเอ้วยังทํายังไม่ทําลายจะตัดกิ่งตัดกา้านตัดรากฝอยตอนเข้าไปเยอะแยะแล้วดีไม่ดีเออชาวบ้านเขาทำโ น, น่นเขาได้ทิพย์ไปเจอคนยันาได้มโนยิทธิเขาได้ปัญญา แต่พระเมนได้บอกว่าเออท่านได้อย่างนั้นนะมันเป็นอุปาทานนะไอ้าทาอย่างนั้นเนี่ยมันเป็นอะไร อ, อุพาสโอสวยเลยอุปาทานยังยังพอมีเข้าถ้าบอกเป็นอุพาสเนี่ยแสดงว่าท่านคนนั้นไม่รู้ภาษาเลยเลยยิ่งบอกว่าสวรรค์ไม่มีนรกไม่มีเทวดาไม่มี ก็เลยกลียกลายเป็นสาวกของอคุณราชีวไปไม่ใช่สาวกขององค์สมเด็จพระชอมไตรจีว่าเป็นดิรัีพร้อมเข้ามาบวชในพระพุทธศาสนานี่มีลานนี้ก็มีอยู่บรรดาแต่พระบรมริศทั้งหลายโดยทุนนาในเวลาที่จะใส่บาตรทาบุญนักสืบประวัติซะก่อนนะนี่วันนีหมายความอาตมาดีอาตมาถ้าไม่ชอบก็จะมาใส่บาตรที่วัดนี้เลย เมื่หมดเรื่องกันไปก็แล้ว่าก็ไปตามนี้พระพุทธเจ้าจะว่ามาและก็ว่าไปในเรื่องมันก็จริงขนาดพระผู้ใหญ่ที่มีส่วนเข้าร่วมในมหาเทรสมาคมยังออกปากเขต้องคิดแล้วความจริงพระเรานี่ถ้าจะปรับปรุงให้ดีตามที่ท่านประราชรคณะท่านหนึ่งที่เป็นสมาชิกในมหาเทรสมาคมท่านตรัสท่านท่า น, นพูดมาพันตารบนะ อัานปราลบกับนางเสือพิงก็ต้องคิดท่านบอกว่าจะปรับปรุงพระให้ดีนี่ไม่ต้องไปปรับปรุงที่ไหนปรับปรุงส่วนใหญ่ที่มีความสําคัญในกรุงเทพให้ครบทวนถ้าพระในกรุงเทพเนี่ดีเสียได้ที่อื่นมันก็ดีหมดแม้พูดอย่างนี้ชื่นใจแต่ก็เป็นที่น่าเส้นดายที่ว่านางเสพพิงฉบับนั้นเขาไม่ได้ลงว่าพระราชาคณะองค์นั้นชื่ออะไร องค์นี้ขอบูชาเป็นกรณีพิเศษท่านจะมียศชั้นไหนไม่สำคัญสำคัญที่เพียงว่าท่านพูดจริงจงตรงความเป็นจริงก็ชีอว่าท่านต้องทำจริงด้วยแต่พระองค์นี้ถ้าไม่ดีต้องไม่พูดแบบนั้นการที่กล้าพูดแบบนั้ น, ห, นหมายความพระองค์นี้ไม่ติดในี้ราบโยชนเส้นสุข ความจริงพระนี่สอนให้ชาวบ้านเขาละความรักในระหว่างเพศเห็นโทษของความรักในระหว่างเพศเห็นโทษของความโลภเห็นโทษของความโกรธเห็นโทษของความหลงพระก็ควรจะจัดสินใจโปร่งตัดมาเสียหมดไอ้ความรักในระหว่างเพศความโลภก็จงยังมีความโกรธก็จงยังมีความหลงก็จงย่ามี ไม่ใช่ว่าเทศให้คนอื่นเขาทำดีแต่ว่าตัวทำเลวนี่ประการหนึ่งประการที่สองพระที่ว่าเป็นปูชนียบุคคลควรจะตัดอารมณ์โลกีสายออกไปเสียตัดไม่คายก็ระงับมันระหว่างที่บวชยามีหนึ่งยาสนใจในลาบสการะยาจิตผูกพันได้มาทำงานเป็นสาธารณะประโยชน์ให้มันหมดไป สองลาบหมดไปไม่เสียใจสามไม่ต้องการยศถาบรรดาศักดิ์สี่บังเอิญถ้า้ยศถาบรรดาศักดิ์ก็ไม่เมาในยศห้าไม่สะดุ้งสะเทียนในคำมินทาหกไม่ยินย่ไม่ดีใจไม่เกิดกันสเสริญแล้วคำส่เสริญเจ็ดไม่หวั่นไหวเมื่อทุกเกิดขึ้นแปดไม่หลงละเริงสุขจนเกินไป การแปดกประการนี้มันเมื่อเวลาเป็นพระตอนระงับปัญญโจน์ทิ้งไปเพราะว่ามันโลกเป็นโลกิจธรรมคือท ำ, ทำประจําโลกถ้าพระอยาสนใจในเหตุแปลระการนี้อาตมาคิดว่าไม่ควรไหวไม่จําเป็นจะต้องไหวเพราะว่าแต่งตัวเป็นพระแต่ว่าใจเป็นชาวบ้านมันจะเกิดประโยชน์อะไร จะไหวคนเท่ากันนี่มันจะมีประโยชน์อะไรอันนี้เขาบอกว่าเออเมื่อก่อนนี้ใครเขาเตือนทีว่าพูดจวบพระหนักหนั ก, กนีก้ราชาคณะบางท่านไปพูดกับคนบางคนวันนี้ไปบอกให้เบาเบาทีทนายองค์คนนั้นบอกเอาใครจกกล้าไปบอกแล้วความที่งก็แตมาก็มาชียักมาชีมาน แต่เวลาก็พักมันนานแล้วตอนนี้มัเอาอีกแล้วไอ้ที่เอานี่ไม่ใช่อะไรมันชัดจะเข้ามาถึงตัวอีกแล้วเอาสงบะแง ะ, งงะทางโน้นทางนี้ดีไม่ดีออกเอาวกอากาศลง น, น้อพิมพ์กันก็ไม่ได้หมายความเทาดาหรอกแต่ว่ามันเป๋มันไปมันทําลายพระพุทธศาสนาที่พุทธเจ้าตรัสพระเทวดามีจริงโอ้ไม่มีไม่มีแ ม, ม, ม้ใครบูชาเทวาดาบูชาหมาดีกว่า นี่อย่างนี้มันไม่ใช่พระมันเป็นพวกเดรัจฉีที่เข้ามาทําลายรารพระพุทธศาสนาชาวบ้านเขาปฏิบัติสมาธิกามฐานวิปเสนากรมฐ า, มามนเขานนนได้ทิพย์ปิจุยายนกันบ้างได้มโนยิทธิมีลิธิทางใจบ้างได้พิญญาสมาบัติบ้างเอาไปโจมตีเขาว่าเป็นอุปาทานบ้างได้ก็เป็นโอภาษบ้างเป็นจิตหลงบ้าง หลักสูตรในพุทธศาสนามีทําไมไม่ศึกษาเราเป็นพระเราต้องทําให้ได้ก่อนชาวบ้านเขาไม่ใช่ไปพูดในชาวบ้านเขามันนั่งยิ้มนั่งเยอะนั่งมาขายขี้หน่าชาวบ้านอังเทียนด้ความดีพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถ้าไม่สามารถก็เอาผ้ากาวสารพัดออกไปด้วยสิจะไม่อยู่ในเขตพุทธศาสนาทําไม อเอาว่ากันไปเราเว้นกันมานานแล้วก็มาจวกกันักอีกทีมันก็ดีเหมือนกันเน่นี้ไม่ไม่ไม่ไวไ้ไหวน้าใครและ้ะทางนี้เพราะอะไรเพราะว่าพระาศาสนาไม่ได้มีมาไว้ให้พวกนี้มาเที่ยวหากิงกันเนี่ยเอาผ้ากาสาวะพัดประหมทําท่าฉันเปนผู้มีศักดิ์สีใหญ่เอ า, าศาสนาเป็นเครื่องหากิ่นเขาเรียกว่าอุปสมะคีวีกาแล้วก็ชูวางและยกคอเหมือนก็กิงกาได้ทอง ฉันมียศฉันนั้นฉันมียศฉ น, นี้ไอยศถามมันดาจศักริมันเป็นโลกียธรรมมันทําของชาวโลกเขาจะชูคอชูงวงไปเลยไม่ได้เกิดประโยชน์เวลานี้แหละคนเขาไม่ได้เบูชายศเนี่ยนะคนเขาบูชาความดีกันรู้ตัวกันไว้สักบ้างเจะลืมในะเวลานี้เท่าที่ทราบมานะัม่จช่ธรรมาสอนนะคนเองเขาสอน เขาดีนได้ที่ปปอยู่คุ ย, ยานมาโนยุทธิก็เป็นแสนแสงคนหมืนลูกเล็กเล็ดแดงเขาได้น่ขายขี้หน้ากขามนะพระนะจะไปนั่งก้มหัวดูเมายดถามันดาจากกะไมากเกินไปจะท่นงเกินไปในนักขันเสร่อนิมยอเวลานี้ชะบ้านเขานั่งหัวเราะเยอะนํามองดูเขาบ้างปันหัวล้นห่มเหลียวเหมือนกันนะเขาจะหาว่าเฮียเหมือนกัน เออคุยกันต่อไปเป็นว่าตอนนั้นเมื่อท่านสองกุ ม, มารหนีไปซุกซ่อนในในในสาบโกครณีฝ <c oughs> ่ายทูชกไม่เห็นไม่เห็นสองกุ ม, มารเจนีนนเอาอาคือว่าต่อว่าพระเวสสันดรมาดูเถอะท่านพระเวสสันดรพระองค์เน้ทรงบรรทานสองกุ ม, มารให้แล้วแต่ท่านพอก็หม่อมฉันทนว่าจะพาเอา ไปหาวายการเอาต่อพอ อ, อขั้นเมื่อพอพอกระหม่ อ, อมอฉันทุนว่าถ้าจะพาไปหาวายการที่กรุงพเชพุดรแต่ก็จะพาไม่จะไม่ยอมพานะจะไม่ยอมพาไปหาวายการที่กรุงเชพุดรแต่ว่าจะพาไปนางพรามณีคือมิเตดาใช้เป็นทาสหนึ่ง แล้วก็จะเไปขายเส้หนึ่งเพราะเด็กผู้ชายไปไว้ไม่ได้ดอกมียฉันเนสาวเมียฉั ม, ม, ยฉมันสวยดีไม่ดีเพราะนี่โตขึ้นมาเป็นหนุ่มฉันเผลอีจะว่าเมียฉันเขให้จะเป็นชู้กับเมียฉันฉันเขาแย่ดีไม่ได้ลูกผู้ชายต้องขายแต่ลูกผู้หญิงก็จะให้เป็นคนรับใช้คนาไม่ธรรมดา ดีไม่ดีถ้าเธอโ ต, ต, ตเป็นสาวข้นมาหนาา้าตากระจงจิ๋ม น, น่ารักก็จะได้ใช้เป็นประโยชน์อย่างอื่นไปด้วยช่วยกันให้เกิดมีความสุขพอพูดเท่านี้ก็กลับทำสัญญาบุยบุยใบใ ย, บ ย, บ ย, บยให้บรรดาสองกุ ม, มาพายกันหนีไปแล้วก็กลับทำเป็นนั่งนิ่งทำไมรู้ไม่คิด อนี่เขากระเบนนี่ดูเถอะเจ้าคาเอ๋ยบรรดามนุษย์โลดในนี้ใครใจะเห็นนะนี่นี่เห็นจะไม่มีใครจะขี่ปดมดเท็จเหมือนเพื่อวัฒนดอนอีกแล้วแ่แมนแมน่แต่เรื่องนี้เป็นจริงๆนะแต่มาไม่มั่นใจเหมือนกันนะถ้าคนมาขอๆแต่มาแล้วมันต่อว่าแบบนี้ก็สงใจ นน่ า, นาสนใจว่าจะเราจะเป็นพระเวสสันดรนะจะเป็นพระเวสสันลุ่มกั น, นแน่ต้องล่มแน่หมายความไม่ใครก็ใครลงหลุมไ ม, ม่ข้างแน่นให้แล้วมันยังเละคุณเราไม่ให้เราก็ได้ <c oughs> เอเอวุอ่นวายแบบนี้ดีไม่ดีก็จัดการตามระเบียบ น, นี่นี่พูดกันอย่างคนสันดานมีกิเลสมันก็ยังมีอยู่นี่ ในเมื่อกิเลสมันยังมีอยู่ก็ใช้กิเลสมันเป็นประโยชน์ซะบ้างเป็นนั้นว่าพระเวสสันดรจะไี้กล่าวว่าพออรามพบครามจะวุ่นวายไปเลยนะเอาเถอะเราจะนำสมุนมมรกั้นลูกรักมามอบให้ทนจัดแล้วก็ทรงสเสด็จตามไปที่หลังบรรณาสลาดูรอยเท้าเรื่อยๆไปจนถึงสาปโกรณี เห็นมีตรอยขึ้นก็ ส, งสรงทราบได้ทันทีว่าสองกุมารลงไปซ่อนอยู่ในน้ำเจื่อนี้จัดเรียกว่าพ่อชาลีของพ่อเอ๋ยหญ่ยยเจ้านิงเฉยยู่เล่ารู้รักจงขึ้นมาหาจงช่วยพ่อได้บำเพ็ญทานบารมีตามที่พ่อประสงค์ไว้ทั้งสองเจ้าจงเป็นเหมือนกับหนึ่งนาวา ที่จะพาพ่อข้ามาหาสมุทรให้ไปถึงฝั่งสงความแรัถนาคือบุรุษอภิเศษสมาสมโพดียานว่าตอนนี้มันต้องว่าดร้องแหล่โลสัมเพาอย่นะแต่ใครอยากจะฟังก็ฟังได้นะแล้วไปขอท่านที่วาดได้ฟังอแต่มาว่าไม่เป็น <c oughs> จะฟังแหล่โลสั ม, มเพามอะไรก็ฟังได้ตามตาตมัตยายัสยถ้าไปหาคนนี้ก็ร้องได้เราแล้ว เป็นอนุนวาเมื่อพระชาลีกับกัญหาได้สนับอย่างนั้นก็ทรงตัดถินพระไทยมั่นใจว่าเอาเถอะเมื่อเป็นความปรารถนาของพ่อเราเป็นลูกตาพรามเท่านี้จะจะดีจะร้ายอย่างไรก็ตามก็จงเอาไปตามความปรารถนาเถิด เราจะเสียสละบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์แก่พระราชบิดาพระบตทนีแลวประชาลีก็โผล่พระเสียนแหวกน้ำขึ้นมาคลายเขาเป็นหมอดแท บ, บท้ารบำบายของพระบิดาแล้วก็ส่งแสงร้องไห้นะหน้าสงสาราาเทวะสนดอยมาทรงเห็นประชาลีแต่ไม่เห็นกันหาจึงถามว่าพ่อชาลี แม่กันหาน้องคุณเจ้าไปไหนเออชาลีก็ตราตรุงว่าข้าแต่พระราชวินดาผู้บังเกิดกล่าวถ้ามดาสัตว์ไม่เห็นภัยพิบัติจะพึ่งมีมาก็ต้องพยายามรักษาตัวนี่แหละยิ่งกว่าเิียงใดหมดไปจ้าก่าท่านตอบแบบไมกปราเสำหรับพระเวทสันดรยินดมิว่าชั่นลอยลูกทังสองจะทำกริกาสัญญาแนะนักัน เึ่งได้จัดเรียกว่ากัญหาลูกรักของพอ่อลูกจงมาหาพ่อเถิดขอลูกกันหาลูกรักลูกจนเป็นนาวาใหญ่สามารถจะนำพ่อไปข้ามมหาสมุทรถึงที่สุดของใดแสนน้ำให้ถึงฝั่งคืออมะตะมหาปริ พ, พ, พันธ์ได้แก่มรุพระโพธิญาณที่พ่อปรารถนาท่ลกูกัก เมื่อทรงตัดอย่านี้แล้วก็ปรากฏว่านางกันหาพระนางาาาก็ค่ากันหาราช ก, กุ ม, มารีก็เสด็จขึ้นมาซบตัวแทบระบายคงวิดาหลังน้ำตาลงหลังพระบาทโอ้โหจนเปียชุ่มสำหรับพระเวสสันดรก็มีพระไทยแทบจะแตกสลายโอ้เรื่องลูกสายเลือดเนื้อสายเลือดเซยเนื้ อ, อ, อ, อนี่นะ เอือมประหัดไปลูกหลังลูกหลังกุามารทั้งสองแล้วก็ทรงรดยคลองลุกขึ้นแล้วจะในด้นงจัดว่าลูกรักเจ้าไม่รู้รู้ว่าพ่อปรารถนาบำเพ็ญบาร ม, มีให้ถึงที่สุดซึ่งจะไม่มีใครในโลกนี้แล้วที่จะทำได้นั่นก็คือพระโคติยายแล้วก็ทรงตีระคายฆ่าตัว ข, วขงสองกุมารว่า ถ้าเจ้าอยากจะเป็นไทยไม่เป็นไทยก็ต้องถ่ายตัวด้วยทองคำพันแท่งส่วนเจ้านั่นเป็นหญิง น, ะนี่พูดเรชาลีนะชาลีนี่ใครจะไปไปจะถ่ายตัวได้ต้องเมื่อต้องจ่ายเงินทองคาพันแท่งแท่งเล็กหรือแท่งใหญ่ก็ไมู่้แท่งนะแต่ไม่จะทนพันแท่งแกชูชก สำหรับเจ้ากันหาหญิงมีค่ามากจะต้องถ่ายตัวด้วยจำนวนธาตุหญิงธาตุชายและก็ธาตุหญิงช้างมาโคยางละหนึ่งร้อยตัวธาตุหญิงหนึ่งร้อยคนธาตุชายหนึ่งร้อยคนช้างหนึ่งร้อยมาหนึ่งร้อยโคหนึ่งร้อยพร้อมกับทองคำอีกร้อยแท่ง เมื่อทรงตีราคาลูกแล้วเรายึดตัดว่าตัดแล้วนะจึงได้กุมานนั้ น, นสองมยายังพระกุดีตัดเรียกชูชกมาว่าพรามเอ๋ยเชิญมาทางนี้พ ร, ระองค์ก็ทรงหยิบพระเต้าทองนะพระเตา้าคาเทวทกแหมชอบไอสัตว์ภาษาบาลีชอบมับบบนจริงๆ พระเต้าน้ำมาพร้อมกับตั้ํานิทานตั้งจิตมั่นต่อว่าศัพทิยานแล้วก็หลังลงในมือพรามนี่เป็นแบบของพรา ม, มก็ให้กันเขาต้องที่เราทำเป็นตรวจน้ำด้ความจริงมันไม่จาเป็นในพรามเขาใช้กันเอาน้ำรดลงไปในมือพรามสแสดงนี้งกันให้ไปนะว่าแสดงว่าเวลานี้เราได้มอบสอมบัติทั้งสองนี้เป็นคนเจ้าแล้ว ตอนนี้ตาชูชกแกก็ดีใจหันก็ไปในป่าทำไมพอได้รับสองกุมารแล้วแทนที่จะประคับประคอนะั้นดูไอ้เท่าแกหันก็ไปในป่าปัากกับเทวันลากลงมาแน่ดูทีแม่ <c oughs> ลากลงมาแล้วก็ผูกรหัสซ้ายขวาก็สองประมาณด้วยกันเทียบลายเทววรรแล้วก็ลงไม่เร็ว เอาเลยจับปลายท้วันมัดมือดังสองจับประมุไม่เรียวหวดควับควับควับก็ห้ายต้องคิดต้องคิดแล้วก็ถูกระช่าลากไปเสียงไม่เรียวดังควับเสียบเมือก็สงก็มันก็แตกเป็นเลหิตไหลไหลเป็นทางพอแก่เขี่ยนองน้ององค์พี่ก็เอาหลังเข้ามารับไว้ ก็เขี้ยนองพี่อ่อน้องก่าหลังมารับไว้ยิ่งทำให้ตาแกเดือดดานจัดใหญ่เป็นการใหญ่ดึงไปแล้วก็เขี้ยนไปในมันทางที่ไม่ราบเรียบแกเหยียบก้อนหินพราดเกาขมำขเมลลงไปเท้าวันหลุดมือสองก็มาก็วิ่งกลับมาหมอบที่แทบเท้าผู้บิดาตัวสั่นไปทั้งอกไม่อตอนนี้พระเบสันดนขันจะแตกทะมาัง สองกุ ม, มารพายการกราบทูลพระราชวินดาว่าข้าแต่พระราชวินดาขออย่าเพิ่อประทานลูกให้ไปก่อนรอจึงกว่าอย่าพบพระมารดา่านเด็กกลับมาในเวลาเย็นเถิดพระเจ้าค่ะเมื่อลูกและแม่และมารดาได้เห็นกันแล้วจึงค่อยประทานไปเถิดพระเจ้าค่ะข้าแต่พระบินดาอีตาพราหม์คนนี้มันแสนยากเย็นโหด สารูปก็เต็มเปด้วยบรุษัทโทษสิบแปดประการไอ้บรุษัทโทษสิบแปดประการนหมายความลักษณะแบบนี้ถ้ามันมีอยู่กับบุคคลใดเขามันดาบะท่านพุทธศาสนิกชนหลายจำไไว้นะถ้ามันมีอยู่กับคนใดคนนั้นนะคบไม่ได้ให้บรุษัทโทษคือคนประเภทนี้ไม่มีคนมีจะโทษอย่างเดียว ทนว่าบุตรโทษที่แปดรา ก, การก็คือหนึ่งเท้าทั้งสองสองข้างแก่โค้งแล้วก็คดไม่เหมือนเท้าคนธรรมดาสองเล็บทั้งหมดดำเป็นหนองเนา่าไม่ใช่เล็บดำเฉยมันเป็นหนองเน่าดำข้างในสามน่องทู่ยู่ยู่ขึ้นยานลงเป็นกระติกห้อยแหมไม่น่าดูเลย ได้ก็สี่ผีปากบนหกห้อยหุ้มผี่ปากล่างอ๋อมันคืกับปากนกห้าน้ำลายไหลเป็นยางยืดทั้งสองแก้มหกเขี้ยวนะงอกแยกแย้มฟันปากมันก็ฟันหมูพ้นปากนะเขี้ยวงอกแยกแย้มออกมาพ้านปากมันก็ฟันหมูเจ็ดจมูกฟุบ ยุบยูดูหน้าชังแปดทองพลุยเป็นกระเปาะตั้งดังหม้อใหญ่เก้าส้นหลังไหลคอมคดโกงหักสิบตาทะลุลึกทอรลักขึ้นข้างเล็กนะข้างหนึ่งเล็กอีกข้างหนึ่งก็ใหญ่ไม่เท่ากันสิบเอ็ดหนวดเครา ดังทองแดงดูน้ากลันี้โหดแดงแต่ไอ้ข้าโจรข้าแดงนี่เขไม่คบในโหดแดงสิบสองสิบสองผลเหลืองสลัวสลัวเหมือนสีลานผมจะมปมจนผมแดงก็เหม็นแดงมันก็เหลืองสลัวสลัวเมือสีเมลลานแล้วก็ดี่สามตามตัวสครารไปด้วยเส้นเอ็นูนตะเกะระกะ สิบสี่มีต่อมแมลงวันตกกระเหมือนกับโรยงาโอ้โหไม่มีดีเลยนะ <c oughs> แล้วก็สิบห้าตาเหลือเลเหลืองเหมือนตาแมวสิบหกคอก็ดีหลังก็ดีและเอวก็ดีแล้วค้องคดไปคดมาสิบเจ็ดเท้าทั้งสองโกงกางเกะกะขาเกยนะมันขาเก แล้วก็สิบแปดขนหยาบแข็งมันกับหนังหมูโอ้โหนี่จําให้ดีในบรรดาท่านผู้ฟังจําลักษณะนี่ดีจําแล้วก็จดไว้ในใจคนลักษณะแบบนี้เขาอย่างใดอย่างหนึ่งเียว่าลักษณะบุรุษโทษสิบแปดอย่างถ้าอย่างใดอย่างหนึ่งก็ครบไม่ได้อยู่แล้วนี่แกมีครบสิบแปดอย่างเลยแสดงว่าครบไม่ได้จริงๆ เป็นนั้นว่าบรรดาท่านพุทธบริษัทชายหญิงต่อกันไปอีกหน่อยเวลามันใกล้จะหมดปานิชฟุ้งมากไปนิดหน่งและลักษณะอย่างนี้ผิดมนุษย์ธรรมดานะท่างการหาชลีกาบทูลว่าพระราชบินดาเจ้าค่าลักษณะอย่างนี้มันผิดธรรมดาน่าจะเป็นยักษ์มากกว่าพระบินดาไม่ทรงสงสารลูกหรือพระเจ้าค่า ยิ่งเรงนิ่งเฉยไม่นำาพาปล่อยให้มันมาเขียนเตียตามชอบใจถึงจะยังไรก็ดีก็ขอโอกาสให้ลูกทั้งสองได้พบประมาณดาสก่อนเผยพระเจ้าค่ะตอนนี้พระเวทดังตานพระเวทสันดอนน้ำตาตกไหนความรักความสงสารลูกแต่ถืว่าทัานหลาย ตัดใจเพื่อพระโพ ธ, ธิญาณก็ต้อง่าวมีตอนเนี่เมื่อพอระเสด็จสนดอน น, อ น, น, ไไนั่งนิ่งอั้นตันพระไทยนิ่งเนี่ไม่ใช่ใจดำน่ะสงสารลูกพูดไปออกพระราชารีเนี่ยข้ามควรต่อไปว่า้าเท่าแก่เคียงทีลูกนี้ไม่เด็ดร้อนก็หม่อมฉันเป็นชายย่อมทนได้เป็นธรรมดาแต่ว่าทุก ที่พันน้องกันหากับประมารดาจะไม่ได้พบ ก, กันนี่สิร้ายนักประมารดาจะทนมีชีวิตอยู่ได้ยังไงแตั้งแต่เสด็จกลับมาพอไม่เห็นหนะ้าลูกรักก็คงจะเศร้าโศกเสียใจสุดที่เยปรนน า, นาข้าแต่พระราชบิดาเช่นไหนพระองค์ยิได้ทรงตัดได้ไม่รู้สึกเสียนใดบ้างเลยอ่า ก็เวลานั้นพอดีตาชูชกแกะว่าวิ่งมาถึงแกเข้ามาดึงถูกรางเอาออกไปอีกแกพระชาลียน้องสั่งพระบิดาเป็นครั้งสุดท้ายว่าเลยโปรดบอกพระมารดาด้วยเถิดพิจ้าค่ะขอให้ทรงดูทุกตาช่างม้าและโคทนลูกไปก่อนจะช่วยผ่อนคลายความเศร้าโศกของแม่ แต่ได้ว่าเมื่อไรเราจรึงจะได้พบกันระหว่งลูกกับแม่อีกอันดาท่านพุทธบริษัทฟังท่นพันนาแลยก็น่าสงสารแต่มาดูเวลาที่บรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านมันหมดเสบดีแล้ววันนี้ก็ต้องขอแล้วครับไว้แต่เพียงเท่านี้ขอลาก่อนขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนมลมงคลสมบูรณ์ผลผล จงมีแดบันดาเตนพุทธศาสนิกชนผู้สันดับทุกท่านสวัสดี